สรางทต่อไปอีกเพื่อให้เป็นส่วนประกอบขับการปฏิบัติธรรมล้วก็อะไรหลายลา ย, ลายอย่างมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติพทะสูตรที่เราสอทยายทำมาเป็นาย สิ่นสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรเยอะแยะมาประดับให้สิ่งแวดล่อมของสติงอกงานามขึ้นนอกจากนั้นพวกเราก็เป็นหมู่เป็นมมตดเป็นกันะยะนาณิเม็ดเพื่อนดีสงายดีก็เป็นส่วนสำคัญ ก็ดูแลกันพี่รูสองน้องรูหนังช่วยกันบ้างเข็นกันบ้างกันเพื่อนเป็นมิตกันบ้างพบปะกันบ้างเห็นหน้ากันบ้างให้ควา ม, ย, มยีดเยื้อเฉยเฉยแนะนำะรายเนตทิ้หน่อยๆเ ย, ยี่ยมเยียนกันบ้างผู้มีกําลังเชียกันบ้างถ้าห้จากนั้น ถามสักคเราเคยหลงโอ้เราก็เคยหลงมันเป็นมันเช้่ได้มันเปลี่ยนได้มีคนบอกว่าเคยมีทุกเราก็เคยทุกข์ก็เป็นอันเดียวกันอะไรที่มันเกิดปัญหาเกิดที่ตัวเราเหมือนกันหมดแต่ปัญญาม่ค่อยจะมีแล้วก็ให้ไป มันก็มีอยู่จริงไม่ปัญหาก็มีปัญญาไห่เครงทุกข์ก็มีควืไม่ทุกข์ไม่ความหลงก็มีควื่ไม่หลงมีอยู่จริงขี้นํากันไปมันเป็นสิ่งที่ทําได้ในการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ทำไม่ได้เรามีรูปไม่นามม่กายมีใจเพื่อให้ทำ เพื่อให้เอามาละความชั่วทำความดีทั้งกับทำจิตให้บริสุทธิ์ด้วยจะได้ใช่ถ้าทุกคนใช่ในสิ่ในธรรมก็เกิดความสงบร่มเย็นเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันมากขึ้นอะไรก็จะเป็นพึ่งที่พึ่งพราวสายคงรูปนามนั้นขึ้นมาไม่ท้อถอย ของที่ประเสริฐจนให้เกิดเจชคิต ข, ของเราขึ้นมาที่ถูดกระถึงเป็นมรรคเป็นผลคุ้มค่าชีวิตที่คุ้มค่าชีวิตที่ฝึกดีแล้วเหมือนฝั่งทะเลถึ่เหมือนหาดทรายไม่เหมือนฝั่งหาดทราย ไม่ความเข้มแข็งกว่าฝังฝั่งมีการกระทบมันก็พังได้ทุกเป็นทุกขตัวชีวิตจะเป็นฝังกัทุกเก่มันทุกไม่เป็นทุกชีวิตที่เป็นหาดทรายเราไปเนอูนหาดทรายขึ้นมาเท่ากับสลานเองออกมาถึงหาดทรายก็เรียบตรงงดงามไปเลย ในความหลงเกิดขึ้นกับผู้ที่มีสติเป็นสิ่งที่ประดับให้เกิดความงามของชีวิตขึ้นมาในขณะที่มันหลงนั้นดูวเฉตัววหมือนหดสายชีวิตหดสายงดงามตานิ่ไม่มีการกระทบกันอะไรเป็นที่อยู่ของสรรพสิ่ง ขึ้นที่หลงของสัตว์โลกของเหลือของคู่คนลงเล่นลงอาบลงลางเท้าล่างหน้าได้ชีวิตเป็นฝังปันตลายสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นความโกรธเก็ีดเป็นความเก็บแก่เป็นความแก่ตายเป็นความตายชีวิตที่เป็นฝัง ในเ ม, มการกระทบขิดหายขิดหายของทั้งสองฝ่ายกระทบกันได้ไม่อาการเกิดขึ้นได้เราจึงมีสติเนี่ยการฝึกสติเนี่ยจเป็นชีวิตจริงๆหลงไม่เป็นหลง เมื่อจะเห็นวันหลงเนี่ยเป็นชีวิตขึ้นมางามขึ้นมาไม่มีความเจความเก็บความตายก็ให้เราทุ่มเอในการปฏิบัติใช้ชีวิตในการเฉพาะกิจที่ลองดูแม้เรามีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีงานมการ สิงเหล่านี้ก็ไม่กีดขวางท่านเอาไปเช้ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยน่ามีความหลงในเวลาทํางานก็เปลี่ยนหลงเป็นรูมันเหมาะใน ก, การทํางานทําการขอให้เราทําอันนี้มีเช่นก่อนเกิดขึ้นได้เช่นก่อนเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลในเมตตาคุณา ในเบพระสิ่งในรูปในนามถ้ามันเกิดทรมีทมขึ้นมาให้มันมีก่อนก่อนจะมีอะไรต้องมีทมก่อนรู้จักการปฏิบัติรู้จักการศึกษาทะลุย่อยออก มีสติเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับรูปของนามแล้วก็เกิดนเกิดสมาธิขึ้นขนาดนั้นขนาดที่สัมผัสเกิดฉินเกิดสมาธิขึ้นมาเวลามทุกข์ไม่มีฉิ่นในที่มีทุกข์นั้นมี ความเจ็บความตายก็มีฉินขขา น, นั้นปีคือมันปกติมันปกติฉินคือภวาวะที่ปกติเหมือนหัวายฉินเป็นหัวายเวลาเะไเกิดขึ้นปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีสมาธิเหมือนเดิมอยู่เสมอแล้วก็มีปัญญา มีปัญญารอบๆไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเป็นตัวกำกับเวลามันทุกข์มีศีลมาช่วยมีสมาธิมาช่ว ย, ม, ม, ม, วยมีปัญญามาช่วยมีความไม่อะไรต่างๆเป็นศรัทธามีความเพียรเยอะแค่เหลือเชือเหลือจินเหลือใช้ การปฏิบัติธรรมนอริยทัพย์คือธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องประดับรูปธรรมนามธรรมนั้นเป็นความงามเป็นศาสตร์เป็นศิลในความหลงไม่หลงเป็นศาสตร์เป็นศิลในความทุกข์ไม่ทุกข์เป็นศาสตร์เป็นศิลมีความงามที่นี่ ในปัญหามันมีในปัญหามีปัญญามันเป็นศาสตรเป็นศิลตรงนี้ไม่ใช่ปัญป ญ, ญาเอาไปใช่ยอย่างอื่นปัญญาที่เป็นปัญญาพุท ธ, ธะปัญญาเครื่องตัดสูเนี่ยเป็นปัญญาที่เป็นศาสตรเป็นศิลในความงามในความไม่เป็นอะไรในความไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายในความไม่ทุกข์ จ, จากก้มค่าชีวิตที่เาเกิดมานะวิธีปฏิบัติก็อนเดียวมีรูปมีนามเหมือนกันมีสติก็มีอันเดียวมาอยู่ที่รูปที่นามรูปกายที่ใจเหมือนกันอันเดียวแท้ๆไม่ใช่หาเจ็บต้นเจ็บนี้น้อยอันเหมือนเครื่องมือเป็นเจอเบอร์นหนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สิบ มาใช่เกี่ยวกับเครื่องมือวัตถุสิงกองพลุงพ่อลังจะเป็นอาชีพ อ, อาชีพก็พ่ลุงพ่อลังอาชีพทางกิตวิญญาไม่มีพ่ลุงพ่ลังหรืออาชีพทางเลี้ยงหาเลี้ยงชีวิต เกณพวกช่างมากก็ต้องเอาเลื่อยเอาจอบเอาเสียมเอามีดเอาขวนเอาสิวเอาค้อน อ, อะไรต่างๆพะลุงพลังหอบหิ้วขึนลนรถขึ้นเหลือสมาจินอาชีพที่มีปัญญาที่เป็นการสะดวกในร้านนี้ก็มี ไม่ได้ไม่ต้องหอบพิวอะไรไปอนสมัยหนึ่งไปอยู่เมียยกมีคนหนุ่มเข้ามาคุยด้วยต้องบอกว่าพ่อแม่มอบปลดลกให้มีบ้านให้ก็ไม่เอาไม่ต้องชี้เกียรเชียภาษีม่เออะไรเอา มีอย่างดีมีก็มีปากกาปากแก้วไปได้รอบประเทศทั่วมีปากกาอย่างเดียวไปเป็นเครื่องมือก็พอใช้พอกินแล้วไปทำงานเขาดูเมื่อทำงานเขาดูก็บอกว่าถ้าคุณคุณทํางานอย่างนี้ได้คุณสามารถไปบ้านหลังหนึ่งได้มีรถคันหนึ่งได้มีข้าวกินได้แล้วคุณทํางานให้เราอย่างเนี้ ไม่เหมือนกับคนไม่มีปัญญาเป็นอะไรที่มีพลงพลังเป็นพ่อค้าบางคนก็เหมือนหลวงพ่อเทียนพูดว่าการหาเงินล่อยเงินพันหายากหลวพ่อเทียนก็เป็นพ่อค้าหาเงินหมืมนห่นเหรนยญแสนหาง่ายพ่อค้า ตองสื่อลถเฉีบลอทุกอ้อยทุกมันไปขายแล้วข้าอีกประเภทถือกระเป๋าหิ้วกระเป๋าอองไปขายได้เงินมากาขายทองคำเพชรเพชดกิจขายสิ่งที่มีประโยชน์ใส่กระเป๋าร่างก็ยยมากเอาใส่กระเป๋าเสื้อผ้าไปเลยก็ยังได้ ฝ่ายเทียนเป็นเจ้าของฝ่ายเป็นหมืนหม่นๆแสนแสนตันไม่มีฉากไม่มีโรถชะคันก็ชาวบ้านเขาปลกอ้อยก็ไปบอกว่าเวลานี้เขาชื่ อ, อเท่าไหร่ฝ้ายกิโลเท่าไรตันเท่าไรหมื่นล้วเท่าไรเขาก็บอกว่าขายหมื่นแล้วเท่านั้น จะให้ราคาเท่านั้นให้หมื่นละเกินเขาสักบาทสองบาทแล้วก็บอกว่าจะขายให้ถ้าให้เกินนั่นก็บอกหมดทุกคนบอกว่าจะซื้อให้ราคานั้นมีฝ้าเท่าไหร่คนนั้ น, นก็บอกว่ามีฝ้ายเท่านั้ น, น, น, นเท่านั้นเท่านั้นแล้ววเชิรนก็มาบอกร้านโรงงานเห็บฝ้ายว่ามีฝ้ายเท่านั้น ตอนนี้จะให้ราคาเท่าไหร่มากก็มากเ้าก็ให้ราคาตามที่เสนอมาเหมือนมากไม่ต้องไปหาที่ไหนให้เอารอไปเสาะออกหมูพ่อเทียนเขาบอกเพียงแต่บอกว่านี่อยู่เทจยวนี้เท่านั้นหมื่นอยู่นั่นแต่หมื่นล้อยหมื่นสองล้อยสาม้ยมืนเขาาคิดเป็นหมื่น มื่นหนึ่งก็สิบสองกิโลคนเมืองเราสิบสองกิโลคนละห้าร้อยหมื่นคนละพันหมืน่นแล้วก็เอารถไปใส่เอาโดยไม่ต้องมีรถหลวงพ่อเทียนไม่ต้องมีรถเอาเงินกำไหลที่เสนอ แล้วก็ได้เงินมาก็เอาเงินที่เขาเสนอมาไปจ่ายเขานอ้อรักเป็นกาําลไรคนหมื่นและสองบาทสามบาทมันก็เป็นเสนแสนหมื่นมันก็ได้หลา ย, ลายเพียงไปกินน้ําชาแค่เดียวก็ได้เงินมานี่คือพอค่าสติปัญญาที่เรามาใช้กับการชีวิตนั้นพอค่าแบบนั้นมันได้เงินได้ทองงานซื้อข้าวซื้อนาซื้อบ้านซื้อเรือนอยู่ ผมก็ยังมีทุกข์ไม่เกิดไม่เจ็บไม่ตายแต่ทำบุญที่ตามหลวงพ่อเทียนเคยคุยให้ฟังสร้างโบสถ์คนเดียวหลังหนึ่งบวชพระ ท, ทุกปีทำมงกรถินทุกปีทับุญบ้านทุกปีก็ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่มาลูเรื่องนี้ไม่เคยลูเรื่องนี้เพราอทำอย่างนั้น หาเงินหาทองก็สะดวกสบายไปขึ้นฝั่งทำเงาง ห, งหลา่าขี้บอกคนมึงเอามีอะไรกินเอามาให้กูกินด้วยมึงเอาอะไรมาให้กูกินด้วยลาปลาลาบลมาให้กูกินด้วยชี้มือได้เลยไม่ต้องไปซื่อหาเอาข่าใหญ่ สมภูเทียนก็บอกว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยขนาดสะดวกสบายทาบุญทําทานเลยมากมายไม่เคยรู้เรื่องนี้จะมารู้เรื่องนี้จริงๆเป็นการปฏิบัติเป็นการเจริญสติเห็นความคิดมีสติเห็นกายเคลื่อนไหวมีสติเห็นมันสุขเห็มันทุกข์มีสติเรื่องนี้เท่านั้นที่เกิดขึ้น มักเกิดผลขึ้นมาไม่มีทุกไม่มีอะไรเพราะเรื่องนี้จึงหล า, านลาลิกาสังโลกสังเมียหนีมาบวชทิ้งเหลือใหญ่ให้ลูกชายมาบวชเพื่อมาบอกคนเรื่องนี้ตั้งแต่ จะหมายังไม่แกเพราะเรื่องนี้พาให้มาบวชมาศึกษามาปฏิบัติมาบอกออกมาสอนผู้สอนคนจนเกิดเปิดงานปฏิบัติธรรมขึ้นในยุคหลวงพ่อเทียนนี่เองแต่ก่อนไม่ค่อยมีนะเวลาเราไปไปฏิบัติที่ไหนต้องไปหาขออยู่ ไม่มีงานไม่มีจิตกรรมหรือกำหนดสี่สิบวันเช่นปัจจุบันเนี่หรืเ อ, อเปิดที่นั่นที่นี่ไม่ค่อยมีสมัยก่อน3ามสิบสีสิบปีก่อนไม่มีเลยเปิดปฏิบัติธรรมที่นู่นที่นี่มีแต่ไปอยู่ตามวัดต่างๆไปหาอยู่ออกไม่มีโปรแกรมไม่มีเครื่อนป้ายไม่มีใบปล u วไปขออยู่ คนใจก็ไปขออยู่ขอศึกษาก็มาพิสูจน์ความจริงความเทศความจริงผู้ใดที่ปฏิบัติอย่างนี้ลองดูแล้วก็ถูกตามพระ ส, สูตรพระคำสอนที่พระเจ้าได้สงง่งแสดงผู้ใดเจริญสติปัฏฐานอย่างต่อเนื่องจะลูกคุณธรรม สองอย่างเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ต่างไหวเจ็ดวันเจ็เดือนเจดปีไม่เกินนี้นี่จากให้สถานที่นี้เป็นที่พิสูจน์ชีวิตของคนในดาการปฏิบัติธรรมโตอยู่กันได้แล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็สอนกันได้ที่นี่เฮ้ย เคยประสบการเคยหลงไม่หลงในตรงที่มันหลงในสิ่งที่มันหลงไม่หลงอีกแล้วในสิ่งที่เคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์อีกแล้วในสิ่งที่เคยโกรธก็ไม่โกรธ อ, อีกแล้วมันเลยพ้นภาวะเดิมๆมาควรจะบอกกอย่างนี้แล้วมีวิธีใดไม่มีวิธีใดที่จะทำอย่างนี้คือมีการปฏิบัติทานี่เองมีการเจริญสตินี่เอง สติก็มีอยู่กับทุกคนสรพัดนึกก็ว่าได้สติอยากรู้อะไรก็รู้ได้เป็นสติทันทีใช้สำหรับไปในกายก็มีไปในกายจริงๆใช้ในจิตใจก็มีในจิตใจจริงๆมีสติจริงๆสติ ไปในขณะที่ตาเห็นโลกรู้สตัวก็มีสติเก่งๆอู้ได้ย็นเสียงมีสติจหมูกได้กลียนลิ่นเลยรถมีสติที่ใจคิดขึ้นมาก็มีสติได้รอบๆชนว่ามีสติเป็นหน้าโลกงั้นใบหน้าโลกไม่เผอไมผู้มีสติเป็นหน้าโลก ไม่เผอเหมือนพระมีสติปเป็นวินัยเหมือนพระขี่เานาะศกเป็นมีสติปเป็นวินัยไปปานนั้น<อ>มีสติปเป็นวินัยวิเศษวินัยนำยะนีวิคือวิเศษในยะนำไปสู่ความวิเศษในความหลงไม่วิเศษสู่ความไว่หลงวิเศษในความทุกข์สู่ความไม่ทุกข์วิเศษมีสติปเป็นวินัย วิเป็นวินัยเป็นเงินนั้นก็ใช่ได้จริงๆนะแล้วจะแปอรออะไรอีก <c oughs> เอาเงินหนอทองเราไม่ก็ได้แต่ว่าเงินทองเป็นส่วนหนะึ่งแปรสภาพเป็นอาหารผ้านุ่งผ้าหม่มเป็นปัจจัยสีส่วนสตินี่แปรสภาพเป็นบุญกุศลเป็นมคขุนิพพานนั้นความหลดพ้นทุนนขนทกข์หย่อน เมื่อการเก็เจะเจ็บตายเงินทองนี้ปัจจัยปาหาเชื่อผ้าทีวใสย่ยังเกิดยังเก็บยังตายหมายถึงสติปัญญามีทุกภวงเก็มีทุกระวมเก็บมีทุกควา ม, ม, มตายส่วนสตินี่ไม่มีทุกไม่มีทุกภวมเก็บไม่มีทุกวมเก็บไม่มีทุกควมตายนั่นเป็นหาดทาย หอดซอยมีคลื่นกระทบไม่ไม่เป็นอะไรเลยชีวิตที่ไม่เป็นอะไรเหมือนหอดซายไม่เหมือนฝังแล้วฝังก็กระทบมาทุกเป็นทุกเหมือนฝังทะเลเหมือนฝังห้วยฉุกเป็นฉุกเหมือนชีวิตที่เป็นฝังโกรธเป็นโกรธอะไรเป็นอะไรเป็นฝังกระทบกรเทื่นมาก ทั้งสองอัดแรงทั้งสองอย่างเกิดขึ้นขณะที่สองผัดเป็นเปดเป็นจุลกายไปรจัลบเป็นในฉานการกระทบของผัสสะเหมือนคลื่นกระทบฝั่งย่อมกระทบกระเทือนเรือก็ล่มหนากแต่เป็นคลื่นใหญ่ โอฟังไม่ได้เดวลาเม่ขึ้นนี่ต้องไปลอยกลางทะเลหรืออยู่ในเกาะที่ใดที่หนึ่งจำไวหนึ่งห้องตาจะไปเกาะตาลูเต็กเจ้าโจมเขาพาไปเที่ยวเกาะหมา่หลมหมูเหลือไปเขาดู ช่องวอางทางโตะตะลดดเต่าเดี๋ยวนี้ยังไปไม่ได้ขึ้นกำลังหนักอยู่คนเข้าฝังไม่ได้ถ้าไปต้องรออยูนนอกฝองแต่เข้าไปได้เข้าโกบไม่ได้ขึ้นมากรอเช่หน่อยก่อนให้ขึ้นวันลดลง ว่นงกินน้ำชากาแครยู่ถ่าเรือแล้วก็มาบอกว่ามาไปรีบๆถ้ากว่านี้ไม่ได้ขึ้นเรือกขาขับไปมาไปว่าจะเข้าฝั่งนะมองไปทางมหาสมุสทรอินเดียขาวเพียบเลยก็เหลือจอด อ๊มาเลยทีเดียวขึ้นต่ำมผมก็บอกว่าชาตกกิ่านี้ไปได้แม่นจริงๆเงิงนพวกน้มนมันมันมีเลด้าในชีวิตของเขาเขาชำนาญผู้เดินเรือก็าชำนาญ<ม>ในท่องทะเล น, นั่นชีวิตที่มันกระทบมันต้อง มีอการเลยเกิดขึ้นกระทบในชีวิตของเราไม่เหมือนขึ้่นทะเลมันเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นกเป็นเไรฉานเป็นพูบภเป็นภูมิเป็นภพเป็นชาติภูมิเกิดขึ้นมาเรียกว่าพบเพปะวะเกิดพูบมาถ้าเป็นหาชาแล้วไม่มีภพมันเป็นความเรียบเหมือนกันสัมผัสกับคลื่นเหมือนกัน ชายกับฝั่งก็สัมผัสเกันแต่ไม่กระทบกระทืกกทนก่อนมีธรรมเห็นความเจรไม่เป็นผู้เจรเห็นความเก็บไม่เป็นผู้เก็บเห็นความตายไม่เป็นผู้ตายเห็นความทุกข์ไม่เป็นทุกข์เห็นหลไรต่างๆชีวิตที่มีสติมีธรรมมันจึงจะคุ้มค่านะคิดของเราเนี่ ไม่มีที่อื่นได้สัมผัสนี่แล้วมีความหลงอยู่ก็ น, นั่นและเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้วิธีบอกทศ่อนนี่เอาไปทำไม่ให้มีปัญหาบุกไปเช็ ก, ก่อนเวลามันหลงเกิดขึ้นให้รู้วิธีรู้ก็ออก็มาถานว่ากานหลงไปยกมือเคลื่อนไหวไปมา ไม่อยู่มือก็ไม่อยู่สมผัสที่อยู่ในี่ยทำมอนมากลับม า, าก็รู้ได้ทีแรก็ง่ายที่จะหลงต่อไปง่ายที่จะลู่เท่าปึกไปเปึกไปเอาไปทำรู้ที่เทศสอนอยู่นี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนมันไม่ต้องไปแก้อารมณ์ขอเองมันเป็นคนแก้อารมณ์เป็นคนโสอปอารมณ์ตัวเอง น่านมันหลงอยู่น่านมันทุกอยู่นอนแหละเราจะต้องมีงานเกิดขึ้นไม่ต้องให้ใครไปสอบปลงมไม่เหมือนสมัยที่หลวงพ่อเทียนสอนใหม่วพ่อเทียนก็ไม่มีวิธีอะไรมากมายให้จะบอกให้ให้หน่งให้หน่งเตงนิ่งเตงนิ่งที่เมื่มก่อน ต่อมาก็ชำมาขึ้นดักคอมนเลยมีสติเลยทีเดียวเพิ่มแข็งขึ้นมาสติไม่ใช่ไม่ใช่อ่อนเหมือนอะไรนะสตินี่เป็นใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยไม่ใช่อนุบาล น, นะสติเนี่ยเป็นใหญ่ขึ้นมาเลยหลงรูใหญ่ใหญ่กว่าหลง ถูกต้องก็หลงใจจริงๆโชก้ากันมัน่งเปรียบเทียบคิดใส่ได้ก็แต่เราใชา่แต่เราม่ค่อยกินมันหลงก็หลงมันทุกข์ก็ทุกข์มันสุขก็สุขไปแบบนั้นไม่มีสติมันก็เลยไหวกว่าสติเรามาฝึกกรรมฐานเป็นให้สติมาไหวามาไหวไหว สติไม่ไม่ต้องชาถ้าฝึกใหม่ใหม่สติจะชากว่าสุขกว่าทุกกว่าโลค ก, กว่าโกรธกว่าหลงถ้าฝึกไปไฟสติจะว้กว่าทุกกว่าโกรธโรคหลงเป็นความขยันเป็นความเพียรเป็นความมีแนวร่วมเกิดขึ้นก็นได้ประโยชน์ เหมือนกับตอบสนองเหมือนรักษาโรคที่คนป่วยหมอให้ยาคนป่วยตอบสนองเหมือนปลกต้นไม้ต้นไม้เหี่ยวให้น้ําลงไปต้นไม้ตอบสนองงเกิดความเพียรเกิดความผยนขึ้นมาท้าประโยชน์หลงเทไรลูกเท่นั้น มีศรัทธาขึ้นมาแล้ววัะนะมีศรัทธาลมีความเพียรเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงมีสติสตมากเยมีกำลังสนับสนุนเป็นพลังพลัละถึงจุดหมายปายทานได้แป๊บง่ายศรัทธาเกิดที่นี่ ไม่ใช่ศรัทธาหัวเต่าที่เกียดก็หยุดขย้นก็ทำไม่ใช่แบบนันศัทธาพละโนนไม่ใช่ศรัทธาแบบนันศรัทธาเก้าหน้าศรัทธาสู่มรรคสู่ผลไม่ทอถอยทอเทอา ก็ย้อนเขาว่าไม่ไหวไม่ไหวก็ <c oughs> มีศรัทธาพอไม่เป็นไรหไหวไหวบางอย่างเพื่อนบอกว่าทุกทุกเราไม่ศรัทธาไม่ทุกไม่ทุกบางครั้งเพื่อนบอกาตายตายตายเราไม่ศรัทธาเรื่องนี้ไม่ตายไม่ตายคดในใจขึ้นรถไป เขาจำใหม่เคยพูดสวนทางกับเพื่อนในใจมันร้อนเพื่อเอาผ้ามาพัดเพื่อนนั่งรถทางท้ายแลิฉ่ช่อมรถเก่าๆกบ เ, เ, เปิดเครื่องไว้ก็นร้อนขึ้นมาพอกันนั่งอยู่กันสามลูกที่จากสุขโตนี่ไปด้วยกันไปสอนอาจารย์ทรงเจินสมัยเป็นนักศึกษาที่พยับ จะไม่นามาแล้วนะด้วยกัน <c oughs> <c oughs> เกิดว่าตาย้ายตายแล้วก็พูดในใจนั่งเดียวกันไม่ตายไม่ตายเรื่องกัลุกตีลุกตนพวกมันผู่ขึ้นมาใต้ก้นเบาเครื่องมาหยุดดมันลดกอากก็ลูกหน้าลูกหลังลก็เอาผ้าอับดานไปปิดให้ตายตาย แย่แยกไม่ไหวไม่ไหวเราก็ว่าไม่แย่ไม่แย่ไม่ตายไม่ตายไหวไหวจิตใจไม่เป็นอะไรให้บานไปเหงื่อออกมันก็ทำงาชาติร่างกายเมื่อวันร้อนก็เหงื่อออกร้อนออกมันก็สบายก็เย็นโชมแก้ไขไปเพราะแต่จิตใจเราไม่เป็นอะไรเราไม่เคยทุก ก็ร้อนกาย้ลยร้อนใจอีกสองอันดับดับเบิ้ลก็ไปดับเบิ้ลสองร้อนตน่อยน่ทุกมากก็ทุกกระทั่งกันมาหนันแรงทั้งสัมผัสเรามรองก็แรงเมื่อมีแรงสัมรับ ม, มันขึ้นน้าพัดวังทะเลไตนขึ้นมาฉิบหายเป็นพวกเปรนชาติท่านั้น ไม่ตายไม่แย่ไหมพบชาติมันมีในเพื่อนว่าตายเราไม่บอกไม่ตายไม่ตายเพื่อนบอกว่าแย่แย่เราบอกไม่แย่ไม่แย่เพื่อนบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวไหวไหวไหวไม่มีพบอันเพื่อนมีพบมีภูมิตันเดียวกันรวมร่นแบบเดียวกันควมอะไรก็เหมือนกันหมดชีวิตที่เราไม่ศาสตร์มีศิล มันจึงไม่กระทบกระเทือนกับจึงิงใดศาสตร์ศิลศิลศิะไรก็ไม่รนะู้นะศิลปะศิลปะคือความงามอ่อนช้อยลายไทยนั่นก็เป็นศินลปะนะ ศิลปสาสตร์ินของชีวิตจริงๆมันเป็นสาสตเป็นศิลมันไม่มีอะไรสัมผัสความเฉีบอย่างอ่อนนุ่มไม่กระทบกระเทือนสัมผัสความตายอย่างไม่กระทบกระเทือนไม่มีใครตายหายตัวในระหว่างศาสตรศินชีวิตของเรา เราไปร้องให้ไปทุกเป็นทุกให้ทุกเป็นทุกให้เก็บเป็นเก็บมันก็เอาไว้เอาไว้เรื่องนั่นเลยคิดของเราเนี่ยเอาไว้เพื่อแก่เพื่อเก็บเพื่อตายแล้วก็ทุกตรง น, นั่นเลยไม่ทุกไปได้เลยมันได้นะ เริ่มจากเวลามันหลงไม่หลงได้ไหมถ้ามันหลงไม่หลงทําได้นแน่นอนจะ่สุดไปถึงที่รุนเลยแรงถ้ามันโกรธไม่โกรธได้ไหมได้ไหมไม่ขี้เวลามาโกรธไม่โกรธได้ไหมถ้าทําได้ตรงนี้ก็ไปเถียงมกักเถีงผลแน่นอนชีวิตของคนเงินหาได้นะต้องก้าวไปอย่างนี้แหละ มีความรู้สึกตัวมือวางไว้บนเก่าพลิกมือขึ้นรู้สึกใช่ได้แล้วมีหน่โผทิขึ้นมาแล้วพลิก ม, มือรู้สึกยกมือรู้สึกหน่โพทิงอกน้ำไม่เป็นไม่ไม่ไม่รีบนะถ้าพลิกมือขึ้นรู้สึกนี่ถ้าเป็นข้าวก็เป็นข้าวที่ไม่รีบนะข้าวเม็ดก่วนรับลงมงอกขึ้นมาเลยยกมือขึ้นรู้สึกวามลงลมือลงรู้สึกเวลามันหลงรู้สึกตัว นอนแล้วสัมผัสกับไอ้ฝนเม็ดข้าตึงขึ้นมาแล้วเวลามันทุกไม่ทุกตึงขึ้นตอนนั้นเหมือนกับเม็ดข้าวที่อ้วนอแช่น้าตึงขึ้นมาวันทุกไม่ทุกตึงขึ้นมาเหมือนโกดไม่โกดตึงขึ้นมาสึงงามตรงนั้นนะโอทิโอทิงามตรงที่หลงไม่หลงลู่ขึ้นมา งามตรงที่มีทุกมีสติรู้ขึ้นมางามตัว น, นั้นงามที่ทุกข์งามที่แก่ที่เก็บที่ตายงามตัว น, นั้นหลยจนเหนือเกิดเหนือเจรเหนือเจ็บเหนือตาย น, น, นี่ไมใช่ไมใช่ไมใช่พวกนี้คิดมีสิทธิอย่างนี้ชีวิตของเราเนี่ย ใคบพุทธเจ้าบอกเมื่อมีเกิดต้องมีไม่เกิดเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บพุทธเจ้าหมอลูเรืนี้เห็นตั้งแต่ยังไม่เป็นพุทธเจ้าเห็นเรื่องนี้มันต้องมีเรื่องนี้ตั้งแต่อายุ16บหกก็ชนอายุ16บหกพรษาเห็นเรื่องนี้อันการบ้านเรื่องนี้หรื อ, อเฉยอยู่พวกเราเนะี่ยสิ่งต่าอายุส6บหกพรรษาเนี่ย เป็นการว่านขึ้นมาถ้าแต่เกิดตไ้ไม่เกิดไม่เจอะต้องไม่ไม่เจอไม่เจ็บท้องไม่ไม่เจ็บมีตายต้องไม่ไมไมต า, ตตาจนอายุผจนอายุ29พรรษาออกศึกษาแล้วนี่ตั้วออกหัวศึกษาแล้วนี่6ปีได้เป็นเจ้าหมื่อายุ35ปีอันลังดีวพวกเรานะมีจริงๆนะนมีไหม อันที่พระเจ้าตัดสรูมีไหมหรือว่าเรามาฝันกันเดี๋ยวไปดูสิต้นสีหมหาโพมีไหม <laughs> ไปเราเนี่ยไปอินเดียแล้เนี่ยใช่ไหม <pas S 2> ไปดูมาแล้ว <pas S 2> ไปดูที่แสดงธรรมจักรมาแล้วมีจริงส ป, ปรานี่กับสปลาที่ไหนนะ เราก็ผ่านมายี่สิบกว่าวันแล้วตอนนี้พระองค์อาจจะอยู่ประทับอยู่ที่สะมุจจรินนะสัปดาเนี่ฝนตกตลอดนะเนี่ยกลางช่วงเดือนเก็ดนี่ฝนซุกมากฝนตกตลอดเลยสะมุจจรินนะไม่มีบ้านอยู่เลยนะปรากฏว่าพญานางวาแผ่พังพานั่น บอกแต่ว่าจริงหรือเปล่ามันก็พยานากอาจจะเป็นนาคเลยอุ้ยนากลัวนนะถ้าเป็นนานคนะี่เห็นนาคไหมฮะนาคแม่น้ำคงก็ไม่เคยเห็นนะไปดูบ้างไปพยานาค ก, ก็เห็นสักที <laughs> เอารถไปรถวัดไปไปจอดอยู่อ๋อว่าป่าโจกโตก็มาเลยนี่เขากลัวเขาจูว่าเอาผ้าปกไว้ไม่ให้เขาเห็น นั่งอยู่ในรถไม่เห็นเลยฝ่ยายนาคเจ้าไม่เห็นเลยเห็นแต่นาคที่อยู่สวนโมกอันน้าตัวเหมือนกับอะไรตัวอ้วนเท่ากับขาใหญ่กว่าขาเลยเวลาไปเป็นทีบ่มาขวงทางมันออกจากโครงมาขวงทางงองเรามันน่า ก, กว่านะอันน้า ก, กันนี่เห็นอยู่แต่หน้าแบบนี้ไม่เห็นนะหน้าลำโขงไม่เห็นนะ เหน็หนแต่นาแบบนั้นนาแบบเนี้ก็น่ากลัวนะงูแกงูแล้วมานขดกระโดดกดปุกถ้าเป็นนาเก่งๆนาอาจจะเป็นคนพันหนึ่งแถบนั่นเป็นสะนาะเดเป็นบ้านมีโคกวัพวพว่อข่อยเต็มไปหมดเลยไปดูสะมุจลินนะอาจจะเป็นคนหรือเปล่าก็มาดูนะ หรือว่าเป็นนาคแบบไหนก็มาหร อ, อ, อกพอสมควรจุเวลาไม่ต้องปฏิมาตากับพระพร้องกัน